นิสักคียปาจิตติโกสิยวัคที่สองสิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำสันถัดเจอด้วยไหมเป็นนิสักคียปาจิตติคำว่าสันถัดคือผ้าปูพื้นที่หลอด้คขนเจียมคือขนแกะใช้รองนั่งหรือปูนอนสันทัดนั้นเป็นผ้าอย่างหนึ่ง ไม่ได้ทอใช้หล่อคือเอาขนเจียมลาดเข้าแล้วเอาน้ำข้าวหรือของอื่นอันมียางพอจะให้คนเจียมหรือคนแกะจับกันพรมลงไปแล้วเอาขนเจียมโรยมีเครื่องรีดเครื่องทับทำให้เป็นแผ่นหนาบางตามต้องการสิกขาบทนี้ห้ามว่าเมื่อจะทำสันทัดเช่นนั้นห้ามมีให้เจือไหมลงไปถ้าขืนเจือลงไป เป็นนิสักียะทำเองก็ดีใช้ผู้อื่นทำก็ดีตั้งแต่ต้นจนสำเร็จหรือตอนทำค้างไว้ใช้ผู้อื่นให้ทำต่อจนสำเร็จหรือใช้ผู้อื่นให้ทำค้างไว้ตนทำต่อให้สำเร็จเป็นนิสักียะทั้งนั้นเรียกสั้นว่าจตุ ก, การนิสักียะปาจิตตี ได้ของที่คนอื่นทำไว้แล้วใช้สอยเป็นทุกกฏใช้เป็นของอื่นเช่นเป็นเปลือกฟูกหรือหมอนเป็นต้นไม่เป็นอาบัตข้อนี้ผึนเข้าใจอธิบายว่าความมุ่งหมายของสิกขาบทก็เพื่อชะการอย่าให้ตัวไหมต้องต้มวาวอดแต่มีคำห้ามเฉพาะสันทัดท่านจึงกล่าวว่าใช้เป็นของอื่นไม่เป็นอาบัต ในที่เช่นนี้บางแห่งท่านปรับอาบัตแบ่งลงมาเป็นทุกกฎสันนิฐานเห็นว่าแม้ใช้เป็นของอื่นแต่ยังไม่พ้นทำความเสียควรปรับทุกกฎเรื่องสันทัดนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่บางทีจะเป็นของใช้กันดื่นจนปรับไม่ลงสเสลากระมังท่านจึงว่าไม่เป็นอาบัตถ้าจะอธิบายเข้ารูปแล้วควรจะว่าอย่างนี้ ทำเองหรือใช้ผู้อื่นทำเพื่อใช้เป็นของอื่นนอกจากผ้ารองนั่งเป็นทุกกฎใช้ของที่เขาทำไว้โดยปกติไม่เป็นอาบัตินิสกิยปาจิติโกศิยวักสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ทำสันทัด แห่งขนเจียมดำล้วนเป็นนิสักคียาปาจิตตีนิสักคียาปาจิตตีโกศิยวักสิกขาบทที่สามว่าอนหนึ่งผู้ให้ทําสันทัดใหม่พึงถือเอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ ถ้าภิกษุไม่ถือเอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สี่ให้ทำสันทัดใหม่เป็นนิสสัตคิยปาจิตตีความมุ่งหมายแห่งสิกขาบทนี้เพื่อจะห้ามไม่ให้ใช้ขนเจียมดำเกินกว่าสองเซี่ยวที่สี่หรือเครื่องหนึ่งใช้ขนเจียมขาวก็ดีแดงก็ดีเกินกว่าเสี่ยวหนึ่งหรือใช้ล้วนทีเดียวไม่ห้าม เอตนไจึงห้ามคนเจียมดำข้าพเจ้าไม่เข้าใจในต้นบัญญัติกล่าวแต่เพียงว่าเหมือนของเครือหัดบางทีจะเป็นสีที่พวกภิกษุไม่นับถือกระมังเช่นในชลาพิชาติแสดงคนใจบาปหยาบช้าเปรียบด้วยสีดำนิสักคียาปาจิตตีโกสิยวักสิกขาบทที่สีว่า 1> อ 1. หนึ่งภิกษุให้ทำสันถัดใหม่แล้วพึงทรงไว้ให้ได้หกฝนถ้ายังย่อนกว่าหกฝนเธอสละศิีแล้วก็ดียังไม่สละแล้วก็ดีซึ่งสันทัดนั้นให้ทำสันถัดอื่นใหม่เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมุติเป็นนิสสากิยาปาจิตตีปีหนึ่งในบาหลีเรียกว่าฝนหนึ่งกำหนดให้ใช้สันถัดหกฝนนั้น เป็นข้างเร็วใชยนานกว่านั้นไม่ห้ามที่ยกเว้นแก่ภิกษุผู้ได้รับสมมุติในนิทานคือต้นเรื่องที่มาแห่งสิกขาบทนี้ว่าส่งปรารพภิกษุอาพาทยาติเขาจะรับไปรักษาจะเอาสันทัดไปด้วยไม่ได้ไม่ใช้สันทัดก็ไม่สบายเข้าใจยากแค่จะชี้ให้เห็นง่าย ภิกษุมีสันถัดหายควรได้รับสมมุติให้ทำใหม่แทนมิสักยาปาจิตติโกสิยาวัคสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุผู้ให้ทำสันถัดสำหรับนั่งพึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันถัดเก่าเพื่อทำให้เสียสี ถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่งสันทัดเก่าให้ทำสันทัสสำหรับนั่งใหม่เป็นนิสสัิยะปาจิตติในที่นี้แห่งเดียวมีคำว่าสำหรับนั่งติดเข้ามาด้วยพระคันธารตนาจาร์กล่าวแก้ไว้ในคำภีวิพังว่าเป็นของมีชายแต่หาได้กล่าวไว้ให้ชัดเจนไหม ข้อว่าให้ถือเอาคืบสุคตโดยรอบนั้นท่านกล่าวว่าโดยกลมก็ได้โดยสี่เหลี่ยมก็ได้สันธัดเก่านั้นคือสันทั์ที่ใช้แล้วแต่อย่างไรในคมพีวิพังจึงแก้ ว, ว่าที่นุ่งแล้วก็ดีห่มแล้วก็ดีแม้กล่าวเดียวเห็นจะหลงมาจากปูราณาจีวอน ท่านให้เอาคืบสุคตหนึ่งโดยรอบแห่งสันถัดเกา่าลาดลงในเอกเทศหนึ่งหรือชี้ออกปนกับคนเจีมมยมใหม่ลอ่อหาไม่ได้ปนเข้าแต่น้อยหรือไม่ได้ปนเลยได้ของที่คนอื่นทำและใช้สอยไม่เป็นอาบัตินิสักิียาปาจิตติ โกศิวัตสิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งคนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางภิกษุต้องการพึงรับได้รันรับแล้วเมื่อคนถือไม่มีพึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทางสามโย์เป็นอย่างมากถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสากคยะปาจิตติ โยน์นั้นในประเทศสยามนี้นับว่า400ร้อยเส้นหนึ่งรเส้นเท่ากับ4กิโลเมตรดังนั้นสี่ร้อยเส้นจึงเท่ากับ16กิโลเมตรในที่อื่นนับอย่างไรจะกล่าวข้างหน้าคนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วไม่นับเข้าในสิขาบทนี้อยู่ในระหว่างทางชั่วคราวแล้วนำต่อไปอีกได้ นิสักยาปาจิตติโกศิยวักสิกขาบทที่เจ็ว่าอันหนึ่งภิกษุใดอย่างภิกษุณีผู้มีชัยญาตให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียมเป็นนิสักยาปาจิตติอธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในยยะอันกล่าวแล้วในสิกขาบทที่สแห่งจีวรวักหรือจีวรวัก อันว่าด้วยให้สักจีวรเก่านิสักิียาปาจิตตีโกศิยวักสิกขาบทที่แปดว่าอันหนึง่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสักิียาปาจิตตี ทองเงินนั้นอันเขาทำเป็นรูปพปัณฑ์แล้วก็ตามอันเขาไม่ได้ทำแล้วยังเป็นแท่งเป็นลิ่มอยู่ก็ตามเป็นรูปียะคือของสำหรับจ่ายก็ตามโดยที่สุดของที่ไม่ใช่ทองเงินแต่ใช้เป็นรูปียะได้ก็นับว่าทองเงินในที่นี้ขอว่ายินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้นั้น แต่ลำพังจิตตุบบาทไม่น่าจะเป็นอาบัติจำจะหมายความถึงรับถือกรรมสิทธิ์ในของนั้นคำว่าจิตตุบบาทคือความเกิดขึ้นแห่งจิตหมายถึงจิตพร้อมทั้งเจตสิกที่ประกอบอยู่ด้วยซึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหรือการเกิดความคิดผุดขึ้นหรือความคิดที่ผุดขึ้น ทองเงินอันเป็นนิสักขีนั้นท่านให้สละนิสงคําเสียสละว่าอาหังพันเตรูปียังปฏิคเหสีอีทางเมนิสักขียังอิมาหังสังคัสสนิสัชามิแปลว่าข้าพเจ้ารับรูปียาไว้แล้วของนี้เป็นนิสักขีข้าพเจ้าสละรูปียานี้แก่สง์ ทองเงินที่สละแล้วนี้สงจะทําอย่างไรต่อไปท่านสอนว่าพึงบอกให้แก่อุบาสกผู้บังเอิญมาถึงเข้าถ้าเขาไม่เอาพึงขอให้เขาช่วยทิ้งเสียถ้าเขาไม่รับพึงสมมุติภิกษุเป็นผู้ทิ้งเลือกผู้ประกอบด้วยองค์สมบัติห้าอย่างคือไม่ถึงอคติสี่แลรู้จักว่าทําอย่างไรเป็นอันทิ้ง หรือไม่เป็นอันทิ้งภิกษุนั้นพึงทิ้งอย่าหมายที่ตกถ้าทิ้งหมายที่ตกต้องทุกข์กฎดอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตะกะคือถึงแม้ไม่จงใจทำก็ต้องอาบัตเรื่องนี้แต่แรกดูเหมือนห้ามเป็นกฎขันแต่ภายหลัง มีพระพุทธานุญาตในที่อื่นผ่อนลงมาถ้าเขาฤ ห, หัตเข้าเอารูปียะมอบไว้ในมือกัปปิยะการกะหรือกัปปิยะการกหมายถึงผู้ทําของที่สมควรแก่สมณะหรือผู้ทําหน้าที่จัดของที่สมควรแก่ภิกษุบริโภคหรือผู้ปฏิบัติภิกษุหรือลูกศิษย์พระถ้าขารฤหัตเข้าเอารูปียะมอบไว้ในมือกัปปิยะการกสั่งไว้ว่า จงจัดหาของอันเป็นกะปิยะคือหมายถึงของควรแก่สมณะที่จะบริโภคหรือใช้สอยจงจัดหาของอันเป็นกปิยะถวายภิกษุซึ่งใดเป็นของควรทรงพระอนุ ญ, ญาตให้ยินดีของนั้นแต่รูปียะนั้นได้แต่ห้ามมีให้ยินดีตัวรูปียะนั้นแม้เช่นนี้ก็ไม่ผิดอะไรนักจากข้อว่ายินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ เป็นแต่ยักเสียว่าอย่าถือเอาก ร, รมสิทธิ์ในทองเงินนั้นแต่ถือเอาก ร, รมสิทธิ์ในอันจะได้ของเป็นกับปียะแต่ทองเงินนั้นได้อยู่เรื่องนี้สรงพระปรารภเศรษฐีเมธกะเป็นผู้ทาขึ้นก่อนทรงพระอนุญาตไว้จึงเรียกว่าเมธกานุญาต นิสากคยปาจิตตโกสิยวัคสิกขาบทที่9ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดถึงความแลกเปลี่ยนยูรูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสากคยปาจิตติรูปิยะนั้นทองเงินก็ดีของอื่นก็ดีอันใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยน ถึงความแลกเปลี่ยนด้วยรูปียะมีประการต่างๆนั้นได้แก่เอารูปียะจ่ายซื้อกัปปิยะบริหารต่างชนิดก็ดีจ่ายเป็นค่าแรงคนทำการต่างอย่างก็ดีและจ่ายเป็นค่าอื่นๆอีกก็ดีสิกขาบทนี้มีประโยชน์ที่จะการไม่ให้เอาทองเงินที่เป็นนิสากิยะในสิกขาบทก่อนมาจ่ายซื้อกาปิยะบริหารและจ้างคนทาการ นี้อธิบายตามมติของข้าพเจ้าปายพระคันธารัตนนาจารย์อธิบายความไปทางอื่นทองเงินที่ได้ทำเป็นรูปประพันธ์ก็ดีไม่ได้ทำก็ดีซึ่งควรจะอธิบายในสิกขาบทก่อนท่านอธิบายในสิกขาบทนี้และการแลกเปลี่ยนด้วยรูปียานั้นท่านอธิบายว่าเอาของรูปประพันธ์กับของรูปประพันธ์แลกเปลี่ยนกันบ้าง เอาของที่ไม่ได้ทําเป็นรูปประพันธ์กับของอย่างเดียวกันนั้นแลกเปลี่ยนกันบ้างเอาของสองอย่างนั้นสับแลกเปลี่ยนกันบ้างข้าพเจ้าเข้าใจว่าทําอย่างนั้นสําเร็จเป็นอันห้ามด้วยสิกขาบทก่อนแล้วความแห่งสิกขาบทนี้น่าจะไม่ซ้ํากับความแห่งสิกขาบทก่อนของเป็นนิสกีด้วยสิกขาบทนี้ท่านให้สละในสง์ เหมือนในสิกขาบทก่อนคำเสียสละว่าอย่างนี้อาหางพันเตนานับประการกังรูปียะสังโวหารังสมาปะชิงอิทังเมนิสัคขียังอีมาหังสังคัสสะนิสัตชามิแปลว่าข้าพเจ้าถึงการแลกเปลี่ยนด้วยรูปียะมีประการต่างๆของนี้ของข้าพเจ้าจำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่สงฆ์ข้าแรงสละไม่ได้ก็พึงแสดงแต่อาบัตนิสักิยะปาจิตติโกสิยวักสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึง่งภิกษุใด ถึงการซื้อและขายมีประการต่างๆเป็นนิสักียะปาจิตตีการซื้อและขายในที่นี้ได้แก่แลกเอาหรือรับเอาของอันเป็นกัปปิยะด้วยของอันเป็นกัปปิยะเหมือนกันเช่นการที่ทำกันระหว่างคนขายของเครื่องใช้กับชาวนาผู้ซื้อด้วยข้าเปลือก <_ d iam onds> เพราะการซื้อขายด้วยรูปิยะห้ามด้วยสิกขาบทก่อนแล้ว ถือเอาอธิบายอย่างนี้การแลกเปลี่ยนของกันซึ่งไม่นับในซื้อขายที่เรียกในคำมคตว่าปริวัติกังก็นับเข้าในที่นี้ด้วยแต่ท่านห้ามไม่ให้ทำเฉพาะกับข้ารือหัดเพราะในพวกสหธรร ม, มิกมีอนุญาตไว้ชัดแล้วของเป็นนิสักิยะในสิกขาบทนี้ท่านกล่าวว่าให้เสียสลัดแกสง แก่คณะแก่บุคคลก็ได้คำเสียสละแก่บุคคลว่าอย่างนี้อหังพันเตนานับประกาะกังก า, กายวิกยังสมาปัชิงอีทางเมนิสัคขยังอิมาหังอายสมโตนิสัตชามิแปลว่าข้าพเจ้าได้ถึงการซื้อการขายมีประการต่างๆของสิ่งนี้ของข้าพเจ้าจำจะสละ ข้าพเจ้าสลักของสิ่งนี้แก่ท่านภิกษุถามราคาต่อเจ้าของเองแล้วแจ้งความต้องการของตนแก่กับปิยาการรท่านกล่าวว่าไม่เป็นอาบัต